ว่าโดยประสูติ์ที่แสดงถึงเหตุให้บุคคลบรรลุผลที่ตัวต้องการเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ท่านอนาตบินติกาเศรษฐีอย่างที่เคยเล่าท่านทั้งหลายฟังว่าตามตามปกติแล้วท่านอนาตบินติกาเศรษฐีนั้นจะไม่ถามปัญหากับพระพุทธเจ้า เพราะท่านมีความรู้สึกเคารพเทิดทูนต่อพระพุทธเจ้ามากเป็นพิเศษถือว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนการรบกวนทำปัญหากับพระพุทธเจ้าจะทำให้พระองค์ลำบากเหน็ดเหนื่อยจึงไม่กล้าถามพุทธเจ้าก็ให้สติตเตือนว่า โรงบําเพ็ญบารมีมาทั้งหมดก็เพื่อช่วยแสดงความจริงแก่ชาวโลกโดยไม่ได้สนปไทยเลยเรื่องความเห น, น, นื่อยอะไรแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่กล้าถามนิดหนึน่งดันั้นทุกครั้งในท่านอนาตบินในกาสติเข้าเฝ้าจะต้องเทศจะต้องเทศหนึ่งกันตลอดแต่คำว่ากันก็ไม่ได้ยาวอย่างที่เทศในปัจจุบัน บันทีก็สั้นบันทีก็ยาวพอสมควรสมาี่นำมาแส ด, แดงจะเป็นเรื่องระดับศีลธรรมจัญญาด้วจากการสังเกตจะพบในประสูนย์ต่างๆนะว่าไม่เคยขึ้นไปถึงระดับของวิปัสสนากรรมฐานพูดอย่างมากก็ระดับของกุศลกบฏสิบ มีที่แสดงสูงเพียงครั้งเดียวแต่พระสารีบุตรแสดงตอนที่ท่านอนาถบินทิการเศรษฐีจะจะตายนะฮนะป่วยหนักภุยเจ้าทรงให้พระสารีบุตรไปเยี่ยมพระสารีบุก็แสดงธรรมะระดับกรรมฐานระดับปีศานาขึ้นไปสูงๆให้ฟังท่านตื่นเต้นมากวอุสานามีธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้เถอะเลยแต่ไม่ได้เคยฟังจากพระพุทธเจ้า จะาถามว่าทำไมไม่ปูเจ้าไม่แสดงเพราะว่าทรงรู้เห็นว่าแสดงไปก็ทำนั้นเองนะฮะท่านานาติบินิกาเศรษฐีท่านก็เป็นชาวบ้านเป็นผู้ครองเรือนแต่ก็เป็นพระยาบุคคลระดับประสูติบันในประูุรนี้เรียกว่าปัตตกรรมมศุนถ้าแปลตรงตัวก็คือว่า การกระทําที่ให้บรรลุผลที่ตัวต้องการแล้วถ้าเรามองเต็มประสูตรแล้วจะเห็นว่าที่จริงมันก็คือพิธีการอริยศัสตร์อีกวิธีหนึ่งจะ แ, แสดงในในกรอบเล็กนะฮะในกรอบที่ข้างล่างประการแรกทรงแสดงสิ่งที่ชาวโลกทั่วไปเขาต้องการปรารถนาในสีเรื่องใหญ่ๆด้วยกัน เรื่องแรกก็คือต้องการให้ทรัพย์เกิดขึ้นแก่ตนและพวกพ้องของตนในทางที่ชอบก็มากเท่าไหร่ก็ดีเป็นความต้องการสถานะความมั่งคัง่งทางครอบครัวทางเศรษ ฐ, ฐ, ฐกิจของตัวเองแต่พอถึงจุดหนึ่งคนก็จะต้องการยศให้เกิดขึ้นแก่ตนและพวกพ้องของตน เป็นการตะทอนภาพของสังคมเราจะเห็นว่าคนเราถึงยุคหนึ่งถึงจุดหนึ่งมีเป็นเศรษฐีเป็นหมื่นล้านแสนล้านแล้วนะฮะจะวิ่งหายศพอปรากฏข่าวว่าเศรษฐีใหญ่อเมริกาตอนนี้จะหลงเล่นการเมืองอายุยังหนุ่มสี่สิบปดปีก็สแสดงว่าอิ่มด้วยอิ่มด้วยทรัพย์แล้วก็ต้องการยศเมื่อคราวก่อ น, นก็มีเศรษฐีใหญ่สมัครแต่เราจะเห็นว่า เป็นธรรมชาติของมนุษย์มันต้องการสิ่งที่เป็นโลกธรรมเวหราบยศสันเสริญสุขโครงสร้างตัวนี้จริงก็คงโครงสร้างเดียวกันเป็แต่ว่าเป็นวิธีการแสดงที่แตกต่างกันจะต้องใช้ความขวนขวายด้วยวิธีการต่างๆเพื่อได้ยศซึ่งในความเป็นจริงแล้วบางครั้งก็เสียสละทรัพย์สินเงินทองจำนวนมากมาเพื่อได้ยศ ยอะส่วนใหญ่ที่ต้องการคืออิสยะยศนะฮะคือความเป็นใหญ่ต้องการครอบงำคนอื่นแล้วก็ต้องการบริวารพรกะพวกเพื่อนฝูงมากในการต่อมาก็คือต้องการการยกงย่องสรรเสริญซึ่งที่ยินก็เป็นเรื่องสรรเสริญที่ท่านเรียกว่าเกียรติยศก็อยู่ในแวดวงตรงนี้ เมื่อเช้านี้อ่านอ่านหนังสืออ่านยังไม่จบไปนะฮะเรื่องความคิดของกรมการาศาสนาที่จะออกหนังสือสุธิควบคุมพระแล้วคนลงเซ็นนามให้ควบคุมพระกลายเปนะ็นอาธิปธิกรมการาศาสนาเป็นชาวบ้านมาคุมพระเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกเพราะสังคมทั้งหมดเนี่ยผู้ใหญ่ในคุมผู้น้อยนะฮะ แต่พระนั้นเป็นผู้สูงด้วยศีลมากกว่าชาวบ้านแยะเลยอดีตปีโครงการศาสนารักษาศีลห้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วางแผนจะคุมพระแล้วเป็นนั้นก็ถือเป็นเรื่องแปลกเป็นมงคลหรืออัปงมงคลก็ไม่รู้คอยดู ก, กันกะศาสนาพุทธไม่เคยถูกคุมโดยชาวบ้านแม้พระมากษาัตริย์เองท่านก็ไม่คุมท่านเป็นผู้อุปถัมภ์เท่านั้นเอง อันนี้ก็มาวางแผนคุมก็ทําให้นึกไปเลยว่าเราไม่เคยมองว่าเจ้าหนะ้าที่กรมการทหารนี้มีศีลหรือเปล่าแต่อนุสาสานาจาร์เนี่ยเขากำหนดมีศีลนะฮะศีลห้าเลยอนุสาสานาจารย์ผิดศีลห้าไม่ได้เลยมันจึงน่าคิดต่อไปว่าคนที่จะประคุมพระอย่างน้อยต้องมีศีลห้าแต่ทาเดียที่ประดีกรมการานานต้องมีศีลแปดเป็นชาวบ้านเนี่ยนะมันควรจะมีศีลแปด มันไม่ใช่เอาใครไม่รู้มาคุมพระเมาเล้ายำเปย์เล่นการพนันต่ใดๆมันก็ตายในศาสนาเนี่ยมันก็ผิดโครงสร้างนะผิดโครงสร้างของสังคมว่าผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะคุมผู้น้อยตอนนี้ชาวบ้านก็มาวางแผนจะคุมพระแต่คงจะสําเร็จได้หรือไม่ได้ก็ก็ไม่รู้นะก็กาลังสร้างกระแส่เห็นทั้งสุบีมลงรูปแบบรูปแบบปัดแล้วยังไม่ได้อ่านรายละเอียด เพราะงั้นในหลักการจริงๆที่ประสบความสำเร็จคือผู้นําจะต้องเหนือกว่าผู้ถูกผู้ตามถ้าผู้นํามีคุณธรรมมีความรู้อะไรต่ํากว่าผู้ตามก็จบมันก็ไปไม่รอดถ้านาธบินิกาเสฐีนั้นที่จริงท่านก็เป็นผู้นําในทางครอบครัวในทางสังคมเพราะงั้นธรรมะนี่จะแนวจะแนวระดับนํา แต่นำระดับสังคมนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่พูดถึงระดับสูงสูงไปทีนี้เราพอได้ลาบแต่ยศแล้วเนี่ยได้ลาบแต่ยศได้ผลประโยชน์แต่ยศแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะต้องการได้ก็คือให้อยู่ยืนเพื่อจะได้ใช้ลาบเสวอยศอยู่นานๆ น, นะฮะจะได้ใช้ผลประโยชน์จะมีอยุยืนยืนถ้าเราสังเกตที่จริงก็คือก็คือพอร ก็คือพอรที่เราต้องการอายุวโนสุ ข, ขังพลังที่จริงก็คือพอรก็สรุปว่าคนก็ประสบความสำเร็จในการครองชีวิตแล้วสมบูบมบยยมมรณ์ด้วยลาบสมบูรณ์ด้วยยศมีอายุยืนสมาระสามารถเสวยสุขด้วยลาบด้วยยศอยู่ได้ทันน้นแล้วสิ่งนั้นมันก็ตามมานะสิ่งทั้งหลายนี่ถ้าเรามีลาบมียศมันก็ตามมาเองอีกมากมายกายกองที่เกียจจะนับแต่จะพูดที่ตัวหลักของมัว่าเพราะลาบเพราะยศเนี่ย จะทำให้สุขแบบกระหัตมันจะตามมาเองจะทำยังไงจะได้สมบูสุขนา น, านก็คือขออายุยืนทุกยุกทุกสมัยชาวโลกมีการแสวงหายุอายุวัฒนะนะอายุวัฒนะนะต้องการอายุยืนมันก่อนอยังนึกถึงโยมคนหนึ่งชื่อโยมโหมดไม่ทราบหายไปไหนสักวันไม่เจอหลายวัน อายุท่านเกือบร้อยแล้วนะเก้าสิบเท่าไรไปเจ อ, อตมาแต่ท่านให้พรโเตีิวิ่งรีก็มาจับมือขอให้ท่านยกผุดเมียอายุยืนเหมือนผมโอ้ยเอาเลยยุงอายุยืนยืนอย่างนีน้ก็ไม่อยากได้แล้วนะแต่อายุหมดแคเก่งนะแค่เดินเดิ น, ดนคล่องนะอายุเก่งอายุตั้งเกสิเท่าไรรทุกเจยังเดินเดินได้คล่องือแสดงว่าอายุยืนเนี่ยเป็นเป็นที่ต้องการของคน ก็สรุปรจบในชาตินี้แล้ถามว่าความต้องการประการต่อไปก็คือตายแล้วให้บังเกิดในสวรรค์คนต้องการตายแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ตรงนี้เป็นหลักที่พระเจ้าทรงแสดงเองแล้วเป็นความรู้สึกของคนโทั่วไปว่าชีวิตหลังตายในควรจะดีกว่าในชาติปัจจุบันสเสวยลาบสเวสเวยยศเสรวิสุข มีอายุยืนอยู่แล้วก็ต้องการที่จะตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์ที่จริงก็คือต้องการมากกว่าเดิมหมายความว่ า, าที่ปยสมบัติปยสมบัตินี่ก็มากกว่าเดิมยศมันก็ใหญ่บริวารก็มากอะไรต่ออะไรอายุยืนเทียบกันไม่ได้เลยกับมนุษย์นี่ก็แสดงว่าเป็นความต้องการระดับวัฏจักรชาวบ้านนั้นจะต้องการระดับวัฏจัคือยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแต่ขอให้สิ่งตัวนี้มีความสมบูรณ์ เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองตรงนี้ถ้ทาท่านลองสังเกตที่จริงถ้าโครงสร้างบริษัทคือ น, นิโรธเห็นไหมมันเป็นผลเป็นผลที่ทุกขชีวิตก็ต้องการนะถามว่าต้องกา ร, าการไ้ยมันก็ต้องการนะแต่ถ้าสมบูรณ์พร้อมอายุวรนนสุขภาวะนะฮะมันก็ดีแต่ส่วนมากอายุยืนกว่าภาวะมันไม่ค่อยดีเรียวแรงไม่ค่อดีบางคนกางจะขัดแย้งกัน ในสุดก็ส่งแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วก็มีความสมบูรณ์ได้ตามตามเหตุแล้วก็ท่งแสดงเหตุสี่ประการเหมือนกันแสดงทั้งเหตุสี่ประการเหตีให้เกิดนะประการแรกก็คือว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องสมบูรณ์ด้วยศรัทธาทรงช้คำร่าสัมปทาหมดสีค่คำไม่ใช้กำร่สัมปทาหมด ว่าศรัทธาสมถตาเกาิสมบูรณ์ด้วยศรัทธ า, าสมบูรณ์ด้วยความเชื่อทรงแสดงตัวความเชื่อที่เป็นฐานแล้วต่อไปก็แตกกิ่งก้านสาข า, าไปเองนะครับจะเป็นเรื่องอีกมากม า, ายาการกองแต่จะทรงแสดงตัวฐานมันนั่นคือความศรัทธาเชื่อมั่นในไม่หวั่นไหวในพระคุณของพระพุทธเจ้าที่สุดสันสน์กันเราจะเห็นว่า ในความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพุทธเจา้านั่นเองมันดึงเข้าไปสู่ความเชื่อตรงอื่นไปเชื่อธรรมะไปเชื่อที่พระสงค์ซึ่งปฏิบัติปฏิบัติชอบไปเชื่อในเหตุผลต่างๆที่พระเจ้าทรงประกาศแสดงเอาไว้บางครั้งเรายังไม่ได้ทําเหตุแต่เราก็เห็นคนอื่นที่ทําเหตุเรายังไม่รับผลเราก็เห็นคนอื่นได้รับผลเหล่า น, นั้นก็คืออาการของธรรมะที่เป็นรู ป, ปธรรม เสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเมื่อคนอื่นทำได้เราก็ทําได้เพราก็กลายม า, มาสู่ความเชื่อมั่นในตัวเองหลักการวิธีการบางอย่างเราไม่เคยประสบด้วย ต, ตัวเองแต่ก็พบพระพุทธเจ้าสอนไว้เราก็เชื่อมั่นตรงนั้นมันก็ตีกิ่งก้านสาขาออกไปมากมาย ก, ก่ายกองโดยสายฐานคือความเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีความเชื่อมันน่นในองค์พระพุทธเจ้า ถึงตาปกติแล้วคนเรามักแหว่งนะฮะมักแกว่ ง, กวงในจุดของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสัทธาเรื่อมสายมักจะเลื่อนลอยวันมันจึงไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะอางในปัจจุบันนี้เราเราค่อนข้างเห็นได้ชัดอ่ะไปในที่ใดก็ตามแม้ในวัดวาราบไปกันใหญ่มียักษ์มีควนอิมมีอะไรตระไรรู้สงหรือสีเต็มหมดวัดวาราบต่างๆไม่รู้จะเป็นอะไรนะต่อไปอย่างนึงก็ไม่รู้จะเป็นอะไรกัน ไปในะที่บางแห่งมีหมดเลยเทวดาพระพรมพระอีศวนพระศิวะพระนารายัยอ น, นุมานม่มีมีหมดเลยตัวใหญ่ๆในรามเกียนไประยุ่หมดเแสดงว่าเราไม่เชื่อมั่นในในพระพุทธเจ้าตอนมาบวชบวชไปใหม่ต น, นั้นต้องสองสามษาพวกก็ผู้ใหญ่ท่านนเป็นราชาคณะท่านก็เอาทุกเรื่องไงนะฮะ บอกหลวงพ่อทำไมมันรุงรังเลยเกินมีพระเครื่องมีอะไรแต่อะไรรุงรังเลยเกินท่านบอกว่าก็เผื่อๆไว้เผื่อๆไว้ไอการที่เผื่อไว้ที่จริงก็แสดงว่าเราไม่มั่นใจแล้วก็มีลักษณะเป็นความเชื่อที่อิงอาศัยคือต้องการต้องการอิงอาศัยต้องการการเชื่อเหลือชาวบุคคลอื่น ท, ที่จริงไม่ใช่ปฏิเสธแต่ว่าปฏิเสธในงานในในแนวที่เรียกว่าไม่ใช่ที่พึ่งนสูงสุด แต่สมัครจิตใจเราเองก็แสดงถึงว่าเราเราเราไม่มั่นคงในคุณพุทธิตาประการไปประการต่อไปทรงใช้คาสีละสมปรานเน้นที่สีห้านะฮะสีละสมปรานตรงนี้คือคือคือจะบีบไปเลยต้องต้องเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นปริยายตอนนี้เทศกับทา่านนาทบินทิกาศเศรษฐีพูดแค่สีหานั้น เพียงแต่ว่าเป็นการรักษาศีลที่เราศีลและสมทานคือมีศีลที่สมบูรณ์ไม่ไม่ใช่บกพร่องสมาทานไปแล้วหรือแม้แต่ไม่แต่สมาทานที่จริงศีลก็ไม่จําเป็นต้องสมทานเนี่ยนะฮะศรษแปลว่าเจตนาวิรัติงดเวน้นตั้งใจงดเว้นมันก็เป็นศีลแล้วการสํารวมระวังชื่อวุตศีลเราไม่ได้สมสาทานทานทานศีลตั้งใจสํารวมระวังไม่ล่วงละเมิดตามบทบัญญัาที่พระยาทรงแสดงไว้มันก็เป็นศีลแล้ว การสมาทานนี่จริงเป็นรูปแบบพิธีหลังเขาเรียกเป็นศาสนพิธีนะฮะมันจริงจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องศาสนาปฏิบัติเป็นศาสนพิธีเฉยๆต้องการจัดสร้างขึ้นมาเป็นรูปแบบเป็นพิธีกรรมทําให้เห็นว่ามันเป็นพันธากันนี่ใกล้ๆกับเราไปรับจากท่านแล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งชื่อในพรานคืนศีลก่อนข้างแพร่หลายมาก ใจความก็คือนายพรานาไปลาสัตว์แล้วก็พอดีไปเจอกับพระพระท่านก็เรียกไปคุยชวนคุยชี้บาปบุญคุณโทษให้ฟังแล้ในสุรแกก็สมาทานศีลพอสมาทานศีลมันก็ลาสัตว์ไม่ได้กลับมาบ้านเมียด่าใหญ่เลยทํำยังไงไม่เอาศีลไม่เอาเอาไปคืนเอาไปไป ไปคืนสินยาพรายเฉาคือคือเข้าใจก็เมียเข้าเข้าใจว่ารับศีลมาก็คือของเป็นชิ้นชิ้นน่ะรับมาแล้วต้องเอาไปคืนเจ้าของเขานายพรานก็ตามไปคืนศินตามเพื่อจะคืนศินก็ตามก็ไปพบพวกเปรตพวกอะไรต่อะไรต่างๆนี่ทําบาปกรรมโดยเฉพาะยิ่งผิดสินห้าทงนั้นเลยตลอดบนบนบ น, บนเส้นทางเนี่ยฮะเปรตเป็นงูเหลือมบ้างเป็นช้างบ้างเป็นอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยก็ในสุด ก, ก็ก็ไม่ยอมไม่ยอมคืนศีล รูปแบบในการสมาธานเราผมก็เกิดเกิดแสดงว่าตรงเนี้ยมีอิทธิพลอยู่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหลักาศาสนาปฏิบัติแต่เป็นาศาสนาพิธีเราก็อธิษฐาเนเราเองได้นะฮะธเราเองได้ตั้งใจเาเองได้แต่ก็ในรูปแบบของาศาสนาพิธีก็ต้องทำอย่างที่ท่านกำหนดเอาไว้ เป็นการรักษาศีลที่วิถีชีวิตมันเคลื่อนไหวไปเป็นศีลคือศีลที่สมบูรณ์ท่านทั้งหลายลองลองสังเกตว่าศีลมันเป็นความสืบเนื่องกัน ร, ระหว่างกายวาจาใจเป็นเจตนามันมาเกิดขึ้นจากตัวเจตนาหรือความจงใจของเราชาวบ้านระดับคิดนี่ที่จริงไม่ผิดศีลหรอกชาวบ้านระดับคิดไม่ผิดศีลแต่ศีลบางข้อบางระดับเนี่ยนะ ถ้าคิดมันก็จิตขุ่นมัวแล้วสมมติว่าเรารักษาศีข้ออธินาฐานนะนะฮะเป็นทรัพย์สมบัติของเขาก็มองด้วยความอยากได้ใจมันก็ขุนละใจมันก็เศร้ามองขุนมัวเศร้ามองแล้วเพราะงั้นก็ถือว่าใจอสีมันเศร้ามองสามาติชาบ้านนะฮะศีไม่ถึงกรขาดก็ถือว่าศีเศร้ามองไปก็ทรสงสแสดงในรูปของศีและสัมปทาคือมีความสมบูรณ์ด้วยศีล ก็วศีลเองในตอนท้าอย่างที่เราดูในทายศีท่านก็บอกไว้แล้วนะฮะบอกไว้แล้วว่ามีอนุสงฆ์สามอย่างใหญ่ในอนุสงฆ์สามอย่างตรงนั้นก็คือที่จริงแล้วก็คือมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเพียงแต่เวลาเรีย ง, เ ร, ยงเรียงสลับเรียงเป็นสุคติโภกสมบัตินิพานที่จริงก็น่าจะเรียงพวกสมบัติสวรรค์นิพานนะฮะท่านเรียงเป็นเป็นสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติดังนิพานสมบัติ การต่อไปคือจาคะสมบัตาจาค่ตตรงนี้ก็เหมือนกันมีลักษณะการสละให้ปันการแบ่งปันการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอ้อมมารีต่อบุคคลทั้งหลายท่านใช้คำว่าอะไรมีฝ่ามือมีฝ่ามือชุ่มมีฝ่ามือที่ล้างแล้วในสมัยโบราณเนี่ยความว่าคนคนให้ทานคล้ายๆกับตักบาดข้าวเหนียวาอีสาน คือหยิบให้ล้างมือสะอาดก็หยิบให้หยิบให้ก็มาความใล้ยๆก็ปั้นเขาอย่งหยิบให้มือที่ล้างไว้ดีแล้วคือมีที่ชุ่มด้วยน้ำล้างไว้แล้วพร้อมจะหยิบให้ทันทีเป็นภาษาที่เน้นในการในการท่ายทานแล้วกม็มีจิตใจพร้อมพร้อมที่จะสละบริจาคให้ปัน้นตามต้งควรแก่าฐานฐานนะเช่นจมยนี้ในการเสียสละตรงนี้ก็คือเรื่องฐานที่มีรายละเอียดของเขาอีกเยอะ ตัวจากค่าตรงนี้ก็คือฐานประการต่อไปนั้นมีปัญญาปัญญาตรงนี้เหมือนกันไม่ได้พูดปัญญาระดับที่รอบรู้ในกองสังขารในไม่ได้พูดระดับนั้นนะพูดระดับปัญญาธรรมดาธรรมดาเป็นปัญญาที่รู้จักจำแนกแบ่งแยกเข้าใจเหตุผลอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็เรียกว่าพูดงา่ายบอกควรทำกับไม่ควรทา ควรพูดก็ไม่ควรพูดควรคิดก็ไม่ควรคิดแต่เน้นที่ควรทํากับควรพูดนะนะควรทำควรควรพูดหรือไม่ควรทําไม่ควรพูดโดยมองที่สถานะของตนมองกาลเทศะอย่างที่พูดเรื่องทำมันอยู่สูตรวันก่อนอะกาลเทศะกลุมคนบุคคลที่เราจะพูดจะทําแต่ที่สำคัญยิ่งคือมองผลมองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพูดการกระทำในลักษณะนั้น ตรงนี้ถือว่าเป็นเหตุหลักทุกข้อใช้สัมมาธรรมะหมดนะใช่กรรมสมบูรณ์หมดถ้าจะถามว่าแนวอริยสัจคืออะไรแนวอริยสัจ ต, ตรงนี้คือมรรคท่านตั้งหลายใจว่ า, าตรงตัวนี้คือมรรคระการต่อไปก็คือทรงสอนให้มองเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคของใจมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้วต้องขจัดออกไป เป็นการพูดถึงนิวรณแต่ก็ต้องเปลี่ยนตัวหัวคือไม่ได้พูดระดับของกรรมฐานแต่ว่าพูดระดับของศีลธรรมจริยาพูดเรื่องการความโลภที่ค่อนข้างแรงที่ท่านใช้คำบาลีว่าอภิชาวิสมารโลภความโลภที่มันเสมอไม่สมั่นเสมออยากได้นั่นอยากได้นี้อยากได้น่น้นอยากได้จนมั่วไปหมดเลยไม่รู้จะเอาไปทาอะไรเป็นลนักษณะของอภิชา ดอใจบรรยากเพราะใจบญรยากท่านจะเห็นว่ามันไม่ได้สุขเพราะลาบไม่ได้สุขเพราะยศไม่ได้สุขเพราะอายุยืนแต่มันจะอยากได้เรื่อยๆอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระเจ้ามันทาตุราชอายุยืนแล้วได้ลาบแล้วได้ยศแล้วได้อายุยืนแล้วยืนน้อยไปหน่อยอยากได้ยืนเท่าเทวดาต้องหาเรื่องเทวดาต้องเอามาไว้ไปที่จริงก็ค่อนข้างดัดสันดานท่านนะเอาไปอยู่กับสวรรค์ได้นานเลย แล้วก็เอาเบื่อสวรรค์นะอยากกลับมาโลกมนุษย์ปรากฏว่าพกลับมาถึงนี่ลูกหลานวันเถื่อตายหมดแล้วมันผ่านไปไม่รู้จะกี่ร้อยปีแล้วโลกมนุษย์เนี่ยท่านลงมาทีไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยก็มีแต่กรรษัตริย์องค์ใหม่บอกว่ามีตํานานเล่าไว้เนาะมีพระเจ้าเป็นดินแนวดตการนานมาแล้วชื่อมันธาตุราชท่านนึกว่าเขาคงมาเยี่ยมลูกหลานนะ่นนะฮะเขาปรากฏว่าลูกหลานไม่มีก็ก็เป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ว่า เขาก็จริงอายุยืนนี่ถ้ายืนเฉพาะเราก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะถ้ายืนด้วยกันเออมันก็ออพอจะอยู่กันได้แต่ถ้ายืนเราคนเดียวก็คงจะโดดเดี่ยว น, น่าดูเหมื่อกันพูดจาภาษาอะไรแต่ไรก็เด็กรุ่นหลังก็ไม่รู้เรื่องนะฮะ ค, คงเซ็งเซ็งฮะคงจะเซ็งมากกว่าจะสุขเพราะงั้นในจุดนี้ก็ส่งสอนต้องลดตรงนี้ลงด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าด้วยพลังของศรัทธาศีลจาระพัญญาสี่ข้อเนี่ยมั น, ม, นมันจะต้องลด ตัวนี้ลงไปแต่ว่าในที่นี้ทร ง, งแสดงทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและข้อที่ควรที่ควรละหมายความว่าแสดงในแนวปาณภาวนาระชวประพฤติดีนะฮะแต่เอาดีขึ้นมาพูดก่อนเอาชุดอริยสัจนั่นแหละแต่ที่จริงแล้วเอานิโรธขึ้นมาก่อนเอาชุดนิโรธขึ้นมาก่อนแล้วก็พูดมรรคแล้วพูดสมุทยัยพูดสมุทัยคือกลุ่มของกิเลส กนันก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทความผูกใจเจ็บความจองร่างจองผานกันทั้งหลายมาความกิเลสสายโทสะเนี่ยแล้วก็ลดกิเลสสายโทส ะ, ทสะลงไปอย่าไม่มีอะไรถ้าอาจจะโกรธนะอาจจะโกรธแต่อย่าถึงก็พยาบาทจะถึงก็ผูกโกรธเมื่อวานในมีท่าน ทคุณที่วัดเนี่ยท่านถามเรื่องเรื่องกิเลสกามกิเลสกามนี่มันในหนังสือเล่มหนึ่งท่านอธิบายว่าอารติาถามว่าเออารติที่มันมันจะเป็นกิเลสการมได้ยังไงอารติแปลว่าความไม่ยินดีนะลักษณะมันเป็นกิเลสโทสะประเภทโทสะคือความความโกรธแต่เราจะเห็นว่าที่จริงอธิบายตรงไหนก็ได้เพราะความความโกรธเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความรักก็มี ความรักเป็นเหตุให้เกิดความโกรก็มีความรักเป็นเหตุให้เกิดความรักก็มีความโกรกเป็นเหตุให้เกิดความโกรก็มีมันเหมือนกับเราพูดถึงเกิดไม่ต้องพูดถึงตายก็ได้เพราะมันติดอยู่ที่เกิดแก่ก็ได้เจ็บก็ได้มันก็ติดอยู่ที่เกิดนั่นเองเป็นเป็นวิธีอธิบายนะฮะเป็นวิธีอธิบายเราจะเห็นว่าอย่างตัณหาสามเนี่ยตัณหาสามมันไม่มีโมหะถ้าเราดูแล้วมไม่มีโมหะ กิเลสก็ต้องมีโลภะโทสะโมหะเอ๊ะตัณหาสามไม่มีโมหะโมหะก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากโมหะเพราะฉั้นโมหะมันจะซึมอยู่ทั้งหมดเล้กามาตัณหาเป็นลักษณะของหลักะราะว่าตัณหาเป็นลักษณะของโลภะพวิปว่าตัณหาเป็นลักษณะของโทสะคล้ายๆหมดแล้วนะแต่ว่าการที่เรากำหนดการที่เราโลภการที่เราโกรธมันเกิดมาจากโมหะเพแต่ถ้าเราไม่ถ้าเรารู้เ ร, เราไม่โกรธเราไม่โลภเราไม่อยากได้ เพราะฉั้นตรงนี้ที่จริงกิเลสเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งเขาหอกไม่ต้องไปไปติดใจมันเป็นอาการเฉยๆป็นก็แสดงอาการส ะ, สะท้อนอยังมุมไหนก็ได้สะท้อนอยังมุมไหนก็ได้คร่าๆเราเปิดพัดลมบางทีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดใส่ตัวเราก็เปิดใส่ฝาฝาผนังมันก็ตีกลับมาหาเรามันก็คือกันนะนะก็ได้ได้ความเย็นเหมือนกันเป็นวิหารในการเทศในการสอนก็ส่งสอนให้มอง กลุ่มนิวรณ์ทั้งหมดนะฮะกลุ่มกลุ่มนิวรณ์ทั้งหมดแต่ไม่ใช่เรียกนิวรณ์เรียกว่าอุปกิเลสอุปกิเลสก็คือเป็นความรู้สึกที่ทําจิตใจให้ขุ่นจิตใจให้ขุนมัวจิตใจเศร้าหมองจิตใจให้พลั้นให้ไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะฮะท่านทาน ท, านทั้งหลายจะเห็นว่าพูดในลักษณะที่มีความเข้มข้นสูง ส่วนส่วนระดับนิวรณ์เนี่ยมันเป็นความคุณภายในชื่อเป็นเหมือนกันนัะนนะชื่อ เ, เหมือนกันแต่ว่าเป็นความคุณที่มีอยู่ภายในเท่านั้นเองถ้าออกมาข้างนอกเขาไม่เรียกนิวรณนก็จะเรียกอย่างอื่นแตทท่ทั้งหมดทั้งทั้งหมดที่จริงก็คือกิเลสเรียกในตัวอาการของคนเรียกผลที่เกิดขึ้นก็คนเรียกคนถูกประหารชีวิตอะไรอะไรที่จริงไม่เป็นอาการกิเลสทั้งนั้น ในการกิเลสทั้งนั้นแต่คนเราไปคิดบริหารประหารคนประหารคนมาเราก็ได้บาปเห็นไมพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดใ้ฆ่าคนมันไม่ใช่คนมันไม่ได้ชั่วแต่กิเลสมนเป็นเหตุทำให้คนก็ชั่วคนมันเป็นกลางกลางค น, นเป็นกลางๆางดีก็ได้ชั่วก็ได้แต่จริงๆค น, นเป็นกลางกลาง เราจึงมีทั้งคนดีคนชั่วคนคนที่ไม่ถึงกระดีกัะชั่วมันก็มีมีอยู่ทั้งสามประเภทจริงๆคนไม่ได้ชั่วโดยธรรมชาติของเขาเราจึงสามารถเปลี่ยนแปลงคนเป็นคนดีได้นะเปลี่ยนแปลงหาโจรขนาดองค์กริมานเป็นพระอระหันต์ได้ถ้าชั่วโดยธรรมชาติพระโจรองค์มานทั่นก็เป็นโจรโดยตลอดชีวิตทีนี้ความคิดของชาวโลกกับความคิดพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตรงกรันพระพุทธเจ้าท่านท่านมองมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคุณฆ่าคนมันจะได้แหละ ก็ให้ฆ่าความโกรธฆ่าความโลภฆ่าความริษยาฆาาทั้งหลายที่อยู่ภายในใจของเราเดี๋วคนก็ไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายอยูธรรมชาติเพราะวาความความตายเป็นธรรมชาติของมนุษย์อันนั้นนั่นคือคือมุมมองของชาวโลกชาวโลกจึงมีแต่ความความเดือดร้อนความรุนแรงเวรภยัยนะเข็นฆ่าทํำลายล่างกันไม่รู้จักจบจกสิ่งเดีองครพุทธเจ้ า, าท่านท่านไม่นานเนี่ยท่านท่านมองอยู่ปัญหาทั้งหลายเป็น ม, มาจากใจมันก็ฆ่าฆ่า ภายในตันเองนะับใช้กับมาฆ่าเหมือนกันนะจริงนะใช้กับมาฆ่าความโกรธฆ่าความโลภ ค, ความหลงทั้งหลายเนี่ยครับแต่ในที่นี้ยกมายกมาทั้งห้าข้อนะครับก็คือถีนมิทะอาการง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมต่างๆแล้วก็อุทจะกุกุ จ, จัอาการที่จิตมันฟุ้งฟุ้งสั่นรำคาญหงุดหงิด จนถึงก็บางทีก็มือลอยอะไรไปแลแ้วก็ความเครียดแรงสงสัยความไม่แน่ใจในเรื่องต่างๆแต่และอย่างที่จริ ง, ท, รงที่จริงก็ไม่มีอะไรนะฮะท่านทั้งหลายเห็นว่าวจริงๆก็คือโลคโกรธนะพิชาวิสมะโลภะเป็นความโลภพยาบาทเป็นความโกรธนะฉีนามิทะเป็นอาการทางกายด้วยอาการทางกายด้วยมก็พร้อมจะออกฮะอุทจจะความฟุ้งซ่าน เป็นอาการของความหลงกุกุจะเป็นอาการของความโกรธวิจิตรศาก็คือหลงก็ก็คือโรคปวดหลงกูไปพูดมาก็เจอเขาทุกเจียก็มีแค่นั้นเองมีโรคปวดหลงเท่านั้นเองทีนี้เมื่อขจัดมนทินตรงนี้นะลดมนทินตรงนี้มองเห็นโทษมองเห็นโทษของความรู้สึกเหล่านี้แล้วก็ลดมนทินตรงนี้ออกไปในการต่อไปก็คือจะ อยู่ครองเรือนแบบครองเรือนครองสุขทีนี้ชีวิตเราไม่ได้เกี่ย ว, ย ว, ไ, ม ไ, ย ว, ยวไม่ได้เกี่ยวกับเราคนเดียวไม่ได้เกี่ยวข้ครอบครัวคนเดียวเพราะงั้นก็สรงสอนในเรื่องพีกรรอีก4เห็นไหมชุดลส่สี่ลงมาเรืเ่อยๆชุดละสสีลงมาเรื่อยก็สอนให้ประการแรกก็คือเมื่อทำงานขยันหมั่นขยันได้ทรัพย์มาโดยหยาดเงื่แรงงานในทางที่ชอบนะั้นสนใจคำว่าางที่ชอบ ที่จริงแล้วเป็นการสอนเพื่อผลผลสี่ข้อแรกนะผลสี่ข้อแรกภาพชีวิตคนเพ็นอย่างเดียวถ้าสะทอนภาพชีวิตตรงตรงตรงเนี้ย ต, ต, ตรงจะแบ่งไว้ถึงสิบสิบสองระดับว่าวิธีการสแสวงหาทราพัพย์ของคนจะมีถึงส2บระดับเป็นรายละเอียดเยแล้วก็ขั้นตอนต่างสแสวงหาแล้วก็ได้มาแล้วก็ครอบครองบริโภคใช้สอยใช้สอยอยังไง มันก็แสดงึนสภาพจิตของคนได้ทุกจุดแต่ในที่นี้ส่งสอนคือตัดออกมาเฉพาะว่าทรัพสมบัติเหล่านั้นต้องได้มาในทางที่ชอบทำประหยติเงื่อโดยแรงงานของเราเองในช้าความเพียรพยายามในทางที่ชอบพูดระดับสมาชีวะนะถ้าเรามองอีกทีหนึ่งก็คือระดับสมมาชีวะเป็นการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ เอาทำไปต่อมากลายเป็นเรื่องระดับศีล น, นะถ้าถ้าเรามองแนวดีมักที่จริงก็คือเรื่องระดับศีลธรรมกัญญาแล้วก็ได้ทรับมาแล้วก็ทํำยังไงคือเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวบุคคลทั้งหลายไปนในครอบครัวที่ตัวเองจะต้องเลี้ยงดูที่ตัวเองจะต้องตอบแทนบุญคุณต้นวันศาสนาท่านมองดีนะฮะท่านมองดีว่าในการบริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติประการแรก คือใชน้นี่ประการที่สองก็คือให้กู้ประการที่สก็คือฝังไว้ประการที่สก็คือทิ้งเหวิสัมล้วนใช้รู ป, ปรธรรมนะใช้รู ป, ปรธรรมต่างๆเนี่ยที่จริงพวกนั้นเป็นรู ป, ปรธรรมที่ททเป็นสื่อในการเรียนการสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ไปหอบสื่อรุงรังพันเต น, นะเวลานี้การเรียนการสอนมีสื่อเยอะเหลือเกิน แต่มาเองยังยังไม่ค่อยมั่นใจอนะยังไม่ค่อยมั่นใจว่าความเข้าใจเนี่ยฮะมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่หมายความมาลงทุนมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็รณอารมณ์เรื่องเรียวกว่าสังกับปะคือความคิดเนี่ยฮะสง่สงส่งเสริมคนคิดระบบการเรียนการสอนปัจจุบันก็จะเน้นที่ ท, ที่ที่ให้คนรู้จักคิดเอานักเรียนเป็นศูนย์ในการเรียน แล้วก็ครูเป็นตัวเสริมคล้ายๆก็เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ว่ามันก็มีความขัดแย้งนะฮะมีความขัดแย้งกันคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับความคิดของกรมการศาสนาที่จะออกบัตรเดลมาคุมพระอะไรแต่กรมการปกครองคุมตัวตัวทะเบียนนะฮะคุ ม, ะคคมตัวทะเบียน่กรมการศาสนาก็คุมตัวตัวรายนามพวกนี้ไม่เคยบวชอ่ะถ้าเขาเคยบวชเขาไม่กล้าคิดอย่างเงี้ยทาไม่เป็นง่ายอย่างงั้นหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ศาสนาพูดเป็นศาสนาที่อยู่เพื่อแก้ปัญหาสังคมเราเรามองคนในแง่ของธรรมะมองคนในแง่ของความเป็นคนเราไม่ได้มองแบ่งแยกไว้นี่คนดีคนเลวนะคนดีเราก็ทําให้ดีขึ้นเหมือเดิมได้คนเลวเราก็ทําให้เป็นคนดีได้มันไม่ปแปลกอะไรมายควาว่า ว, วิธีการเหล่านี้ก็คือสกัดคนป้องกันคนดีไม่เข้าคนไม่ดีไม่เข้าสู่ศาสนาแล้วเราไปวินิจฉัยก็ได้ยังไงเขาไม่ดี าศาสนาจะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับสังคมเลยนะถ้าถ้าถ้ า, าศาสนาไม่ไม่ยอมรับคนคนไม่ดีเข้าสู่สาศาสนาเพราะศาสน า, าคือช่วยแก้ปัญหาสังคมะชี้ทางบรรทุกทุกชี่สุกเกษนสารให้ปัญหาต่างๆญาติโยมข้างนอกแก้ไม่ไหวแล้วก็เอามาให้พระช่วยคนบ้าบอคนอะไรตร่ออะไรลูกเหลือขอแต่โยนให้วัดเงี้ยมันตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วมันมันไม่มีทางเราไปเวฝืนกระแสสังคมมหาศาลอย่างนี้ไม่ได้ ตรวเช็คหมดนะฮะคนไม่ดีอย่าให้บวกเข้ามาคุณรู้ได้อย่างไรเขาไม่ดีาศาสนาเป็นวิธีฝึกคนนะฮะเป็นที่ฝึกคนตกลงว่าไปไปทลายบทบาทศาสนาแล้วก็แนวแนวประชาธิปไตยคือแนวกระจายอำนาจเวลานี้คืออำนาจนิยมแนวรวบอำนาจไว้ในอธิบดีใหญ่มากอธิบดีจะใหญ่มากเลยถ้าถ้างานตรงนี้เขาสำเร็จนะจะใหญ่โตมากเลยจะคุมพระได้หมดตัวประเทศ อธิบดีปรากฏว่าไหลายข้าวไหลออกปีสองปีกรบเกษียณปีสองปีเกษียณเห็นยวแม่จะมีปัญหาตามมาอีกเยอะเลยเสมมุติว่าคัรบวชมาอธิบดีคนโน้นอ่ะเสีนคนที่ค น, คนกเกษียณไปแล้วสองสามปีมีปัญหาตามมาอ้าวสมมุติว่าจะเปลี่ยนปีละหนึ่งครั้งพระก็ตายเลยหาสตางค์ทำบัดเดี๋ยวแม่ปัญหาจะตามมาเยอะพวกนี้ไม่ได้คิดเองนั่งคุยนั่งคุยบนโต๊ะบนห้องแอร์นะไม่ได้คิดเอง ถ้าลองถ้าลองดูภาคสนามแล้วจะเห็นว่าทำไม่ได้เลยจะมีปัญหาตามมาอีกจะเดี๋ยวมันฝืนคติคติทางศาสนาฝืนขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตในพระพุทธศาสนาและอย่าลืมว่าคนนีจะตรวจสอบสุดชินะฮะมันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเขาบังคับให้พระอ่าเนี้ยพระจะขึ้นเครื่องบินเอามาเลยเบื่อขึ้นเครื่องบินโอ้ยต้องเอาเอกสารหลักฐานไซื้อตัว ไม่รู้ทําอะไรไม่รู้ทำอะไรเขาฮะแล้วคนใต้คนที่ตรวจตัวต๋วแกไม่รู้เลยนะฮะแกไม่รู้เลยว่าพระเนี่ยเป็นพระอะไรนีน่ลายเซ็นนี่จริงมัจริงอ่เด็กๆเด็กผู้หญิงอายุไม่กี่เพี้ยคนขายตั๋วนะ่ะเป็นคนตรวจสอบมีความรู้อะไรจะมาตรวจสอบเด็กเหล่านี้เคยเข้าวัดหรือเปล่าจะรู้เรื่องศาสนา เ, เปล่าก็ผคนทําก็เหลวทั้งนั้นเนีะคนความคิดเนี่ยมันมันมันไม่ไม่ไม่เป็นระบบคือระบบมันต้องไหลไปได้ทั้งทั้งระบบของมัน คิดเอาเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งแล้วพอปรากฏว่ามันมีปัญหามากกว่าเดิมมีการสวดสอบบวชเจดวันก็ต้องสอบเข้านะกฎเกณฑ์ตรงนี้บวชเจดวันก็ต้องสอบวันนี้ยุ่งเลยนะคนจะบวชสามวันก็จะทําดีบางทีบวชบวชอะไรบวชแก้บนบวชน้าศพบางครั้งมาบวชต้องตรวจสอบก่อนเอาบวชน้าศพก็ต้องตรวจสอบเดือนละวันเดียวตนเองบวชน้าศพก็เลยยุ่งกันตาย มันมันเป็นความคิดที่คนก็ไม่ได้อยู่ภาคสนามคิดแล้วก็นึกว่านั่นคือความถูกต้องนักการเมืองก็ไหลเข้าไหลออกอธิบดีก็ไหลเข้าไหลออกไม่ใช่ไหลเครับแล้วก็ไห ล, หลออกเหมือนกันนะพระท่านอยู่นานนะฮะพระท่านอยู่นานองค์ที่อยู่นานก็อยู่กันจนแก่จนตายไปแล้วปรากฏว่าเจ้าเอาชาวบ้านมาคุมพระเป็นความคิดที่ค่อนข้างแปลกนะแล้วก็ไม่เคยมีในพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์เป็นศาสนุปธรรมไม่ใช่ผู้ควบคุมพระชาการไอ้นี่กรมการศาสนากำลังก้าวหน้าอำก้าวหน้าไปเยอะนั้นก็คือความกัคิดมาจากอะไรมาจากอภิชาหรือความระโมบในอำนาจในความยิ่งใหญ่มันขัดแย้งกับสิ่งที่เราต้องการประการต่อไปในการครองเรือนรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อไปเนี่ยวงศากนยาิยมพวกแขกพวกเรือพวกอะไรต่ออะไรเนะี่ยจะต้องดูแลใจใส่ ในการต้อนรับแขกในการแสดงความมีน้ําใจ ต, ต่อคนทั้งหลายที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราต่อไปในวงนอกในวงนอกก็คื อ, ค, อ, ค, อคืออะไรก็คือคือบ้านเมืองบ้านเมืองนั้นจะต้องทําทําหน้าที่ของรษัษฎรเสียภาษีให้แก่รัฐนะฮะบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปอะไรคื อ, คอ คือคนนี้ตายแล้วเรียกปุพะเอเตวตาผลีการทําบุญอุทิศกุศลให้แก่เทวดาทั้งหลายเป็นการสร้างกัลยาณในจิตนะกัลายาณในจิตต่อเทวดาเหล่านั้นคือหมายความว่าสร้างมิตรสัมพันธ์กับท่านแล้วก็ญาติพี่น้องญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วก็ทําปุาพะเอตาผลีให้ก็ตกลงว่าเป็นการ บำเพ็ญทั้งสองอย่างนั้น ท, ทั้งหลายลงเราสังเกตว่าการเลี้ยงดูครอบครัวการเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูมุงสาคณะญ า, า, าติเราเปแขกเรือทั้งหลายเป็นการทําหน้าที่ของเราเองที่สรุปสรุปรวมว่าในฐานะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันฉันญาติแต่ก็จริงเราก็เป็นราษฎรเราก็ทําหน้าที่ของราษฎร ในขณะเดียวกันเราก็เป็นอนุชนคือคนรุ่นหลังของบุปการีปุญาตายายท่านตายไปเยอะทําบุญอุทิศกุศลส่งไปให้เราก็เป็นเพื่อนร่วมโล ก, กเทวดาทั้งหลายนะสัพพสัตทั้งหลายพูดง่ายสัพพสัตทั้งหลายก็ทำบุญอุทิศกุศลไปให้เป็นการปฏิบัติธรรมะในแนวที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตัวเองและแก่บุคคลอื่นแล้วก็ผลของการปฏิบัติเหล่านั้นก็แพร่กระจายแต่ที่จะอยู่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง แล้ก็ไปเชื่อมโยงชีวิตเราไปเชื่อมโยงกับคนอื่นธรรมะปฏิบัติจึงเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยแล้วในตอนสุดท้ายก็มาสรุปมาสรุปที่ผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําอย่างนั้นก็กลับไปที่เดิมนะฮะกลับกลับไปที่หัวที่มาทั้งหมดนะฮะว่าก็เป็นเดชให้เราได้ราบ ได้ลาบแล้วก็รักษาลาบไปได้แล้วก็ใช้ลาบคำว่าลาบคำว่าลาบจริงๆภาษาปัจจุบันนำมาว่ามันน่าจะใช้คำวาผลประโยชน์ผลประโยชน์เนี่ยมันมันมันคลุมคำวมาลาบกันดัานคลุมนะฮะแต่ว่าชาวบ้านเข้าใจลาบไม่ไม่ตรงกันเข้าใจลาบคล้ายๆกับถูกหวยถูกหวยได้รับรางวัลอะไรแต่เลยก็เรียกว่าลาบลาบคือสิ่งที่เราได้นะแต่จริงคลาภก็คือคือสิ่งที่เราได้มา ได้มาอย่างไรก็ตามแต่ในที่นี้เนื่องจากแล้ว ร, ระบบสิทธรรมไป็นคุ้มไว้ข้างหลังได้มาในทางที่ชอบธรรมได้มาทางชอบทำโดนดูแล้วคล้ายๆจนเรื่องเยอะนะฮะแต่ท่านต่างหลายเจนว่าในภาคปฏิบัติจริงๆ ม, มันไม่จะเยอะอย่างนั้นนะครับตัวการจริงๆก็คงอยู่ที่องค์ธรรมสีข้อสีข้อเนี้คือศรัทธาศีนจากะปัญญาเนี่ยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นธรรมะที่เป็นตัวหลัก แล้วถ้าท่านตั้งหลายลองสังเกตประซูดต่างๆที่เราเจอมาเราเจอบ่อยท่นนี้เป็นเป็นเพราะอะไรเพราะเราเราลองดูกิเลสคือโลภกดลงเด่๋ย้ให้กิเลสนี่คือโลภกดลงธรรมะเหล่าเนี้ยมีหน้าที่ลดโลภกดลงโดยเนื้อหาก็ขอเราคือลดโลภกดลงจนถึงกับทําลายโลภกดลงแล้วถ้าถ้าเรามองถึงถึงถึงถึงเนื้อหาของธรรมะแต่ละข้อนะฮะแยกมาแต่ละข้อเนี่ยก็น่าดูแลนะฮะศรัทธาเอง แต่ธาที่เปลว่าความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนความเย็นหรือมันแสงสว่างที่มันคืบคลานไปเรื่อยๆแผ่รังสีออกไปเรื่อยๆก็ทำให้ความเย็นมันคลุมพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ทำบริเวณตรงนั้นให้เย็นตามไปด้วยในขณะเดียวกันตรงนั้นความร้อนก็ถูกกระจัดตามไปด้วยแล้วเราก็ดูเฉพาะตัวความเย็น เพราะงั้นในในที่นี้ในตอนหลังแม้จะทรงแสดงกิเลสเอาไว้นะฮะแต่แต่ในในภาคปฏิบัติจริงๆไม่ปฏิบัติจริงๆแล้วธรรมะเขาจะสลัดให้เองเ็าจะาทำลายให้เองศรัทธาที่เกิดขึ้นในครั้งแรกจะเป็นศรัทธาที่เกาะอิงลักษณะของการเกาะอิงมันก็จัดขนาด ขนาดความไม่เชื่อนะกระจายความไม่เชื่อแต่กเกอิงคล้ายๆกับลูกกินอาหารในแม่ป้อนให้กินอะไรก็ไม่รู้ก็ป้อนให้ก็เชื่อแม่นะเชื่อแม่เคี้ยวไปเลยจับใส่ปากเคี้ยวเล ย, เ, ย, เ, ลยเราเชื่อแม่ที่เรากล้าเคี้ยวนะฮะถ้าไม่เชื่อแม่ไม่กล้าเคี้ยวหรอกนั่นคือลักษณะของศรัทธาที่กาะอิงจับให้หมอฉีดยาเห็นไหมฮะฉีดอะไรก็ได้แต่จริงไม่ฉีดอะไรก็ได้แ ต, ดไไดแต่เราเชื่อเชื่อหมอเราก็ให้ก็ฉีด ลักษณะศรัทธาแล้วก็มีการเกาะอิงเกาะอิงสิ่งเราสิ่งที่เราเชื่อแต่ถ้านจะทํำยังไงท่านจะว่าอย่างไงเราก็เชื่อท่านนั้นคือแนวต้นๆแนวต้นๆคล้ายๆกับคนที่เดินนะฮะอาศัยการอุ้มเด็กเราตอนเราเล็กๆนะฮะอาศัยการอุ้มการจูงนะการจูงของของพ่อแม่พี่เลี้ยงอะไรคนๆที่เราเคารพนับถอือเขาก็อุ้มก็ ก, ก, ก, ก็จูงเราไป พอพอถึงระดับหนึ่งมันไปขจัดความเครือบแคลงสงสัยเห็นไหมว่ารัศมีของของของสตาร์ก็แผ่ไปแยะแล้วก็เชื่อมโยงกลับไปกลับมาได้บางจีโรกไม่มั่นใจในตรงนี้แต่เชื่อมโยงจุดโน้นว่าจุดนีมน้มันใครมันมันเกี่ยวกับจุดนี้เราก็ขจัดความเครือบแครลงสงสัยลงไปได้เราอาจจะไม่แน่ใจในพระธรรมอโอ้พระธรรมนี่ ร, ร, รสสู้เจ้าทรงแสดงไว้ เราก็เชื่อเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็อาศัยเราเชื่อในในพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะเชื่อในพระอริยบุคคลทั้งหลายก็เชื่อว่าคนสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เอาจริงพระอริยบุคคลนั่นก็มาจากคนอ่ะมาจากคนสามัญธรรมดาเท่านั้นเองมันก็ขจัดความเครียดแปงสงสัยในเรื่องต่างๆที่ที่ที่เป็นระบบเกี่ยวเนื่องกัน ให้เราสังเกตว่าชีวิตเร า, เอ า, เ, อาเอาก็จริงนะฮะมันมันมันก็ ม, ม, กมีมันก็มีอะไรที่เราศึกษาปฏิบตัติก็มีพระพุทธเจ้าพระทมพระสง์ก็ไใจติขาก็จบไต้ติขาคือธรรมะเราเชื่อมั่นในตรงนี้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมด้วยเป็นนามธรรมด้วยการเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าก็เป็ น, เ ป, นเป็นการสะท้อนธรรมะที่เป็นผลจะพูดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพุทธเจ้าเรียกพุทธลีลามันมั น, มนเป็นแบบได้ทั้งนั้น นั่งก็เป็นแบบพูดก็เป็นแบบเดินก็เป็นแบบเป็นแบบสมเสร็จรูปลงตัวลงตัวก็กลายเป็นพุทธลีลาความสวยงามนะคนที่ซึมซับบุคลิกภาพของพระพุทธเจ้าไว้มันก็สะท้อนออกมาแล้วคนก็ประทับใจคนก็เห็นก็ศรัทธาที่มันใสพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบสะท้อนธรรมะออกมาเป็นระบบคําสอนทั้งหลายก็เป็นธรรมะที่เป็นนามธทําธรรมะ ตัวธรรมะเองนะฮะตัวองค์ธรรมเองก็เป็นธรรมะทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งนามธรรมส่วนทุกสัตว์เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นรูปธรรมแต่ตัวมันเองเป็นนามธรรมนะฮะให้เราสังเกตว่าผู้จ้าจาความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกอย่างนะฮะตัวความตัวนามธรรมไม่ใช่พูดถึงคนเกิดนะฮะเพราะความเกิดมันปรากฏที่อะไรก็ได้ไม่ใช่พูดถึงคนสัตว์ก็ได้คนก็ได้ต้นไม้ก็ได้ภูเขาก็ได้อะไรก็ได้ความเกิดมันก็เป็น เป็นทุกข์เพราะงั้นตัวเขาเองเนี่ยเป็นการสะท้อนที่สิ่งซึ่งเป็นรูปธรรมแต่ตัวเขาคงเป็นนามธรรมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความสุขความร่ไรเห็นไหมฮะไม่ได้พูดคนเลยความสุขความร่ำรวยน้ำพันความทุกข์ความเสียใจความก้าวแก้ใจใจ้ความหมดไม่พูดคนต่อเลรเพราะอาการเหล่านี้อาการพลาดพลาดสูญเสียนี่เกิดขึ้นแก่แมวแมวมันก็เสียใจเกิดขึ้นแก่ไก่แก่สัตว์แก่อะไรอะไรมันก็เสียใจเหมือนกันนะฮะเหมือนกันเพราะมันเป็นสภาวะธรรม แล้วก็พอมีกําลังสูงขึ้นเนี่ยนะพอมีกําลังสูงขึ้นศรัทธามีกําลังข้นขึ้นเราจะเห็นว่ามาไปละที่โลภไปละที่ความโลภได้เราดูพลังศรัทธาที่เขามีต่อคนทั้งหลายอย่างหลวงปู่เทส เ, เงินหลายสิบล้านนะนะถ้าขนาดจะอยู่ที่ถ้ําขาวก็หลายสิบล้านแล้วเงินมาข้าวันวันมาหาศาลนลไม่น่าเชื่อนะนั่นคือพลังศรัทธาที่มีอยู่ในหลวงปู่เทตรงเด็ก คนพร้อมที่จะสละบริจาคทํางานได้ถ้าเรามองว่าท่านที่ไรไม่ต้องก็ไม่ได้ไรคนอยากจะอยากจะถวายอยากจะให้อยากจะบูชาความดีของท่านนั้นก็คือพลังของศรัทธาไปก็จัดโลภะก็จัดความสีดได้และเสร็จแล้วมันก็จัดโทสะได้เพราะว่าตัวตัวศรัทธาตัวเดียวก็ไปริบแล้ว ไปถึงนิพพานได้นะฮะศรัท ธ, ธายะตระติโอคังบุคคลจะบรรลุมรรคผลได้ก็เพราะศรัท ธ, ธาไปเลยแต่ว่าเวลาไปก็ไม่ได้ไปด้วยศรัทธาอย่างเดียวเพียงแต่ว่าตรงนี้พูดถึงศรัท ธ, ธานำเพราะเมื่อถึงศีลก็อีกหละศีลเองเขาก็ละโลกุดลงที่ชัดเจนมากถ้าลองสังเกตเอาเอาเฉพาะศีลห้าเนี่ยเอาเฉพาะศีลห้าปานาธิบาตนั้นละได้ทั้งโลกุตลงการฆ่าสัตว์บางอย่างส่วนใหญ่นะฮะจะฆ่าเพราะโลก แล้วฆ่าพระกรวดบางทีฆ่าเพระหลงบี้มดเล่นทำเผาศัดเล่นทำไรเล่นก็แล้วแต่ทีนี้คนเราพอมีปัญญามันมีความคิดคิดระดับใจเขาใจเราได้<ม>เห็นไหมมันขจัดความหลงไปได้การฆ่าทั้งโลกเพราะโกรธเพราะหลงนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือแม้จะเกิดมันก็ไม่ถึงกระแรงนะยังจับปลาดโดยระเบิดช็อต ด, ด้วยไฟฟ้าอะไรต่ารๆเนี่ยเวลนี้มันแรงนะครับ ถ้ามาย่งยังนึกที่จะมามีมีเรื่องเยอะที่ที่ไปพบเห็นในสิ่งเหล่านี้มานะเขียนตรงๆนะฮะรู้เห็นมาตรงๆยังนึกจะเขียนไม่มีเวลาเวลามันเยอะมีคนเขาจับปลาในระเบิดเนี่ยนะก็โยนระเบิดลงไปในแอ่งน้ําปลาเยอะเลยปลาไม่ไอระเบิดมันไม่ระเบิดผิดเวลาแล้วแกคงเสียดาย ร, ระเบิดอ่ะแกดําลงไปดู เมื่อจะเอามาบรรจุแก๊สใหม่นะเมื่อแก๊สมันใหม่ไม่อยากแก๊สแก๊แก๊ที่จะใส่ในหัวระเบิดพอดำลงไปก็บึมเลยนะลอยทั้งคนทั้งปลาขึ้นเลอันนี้ที่จริงเราเราเห็นกรรมมันชัดมากเห็นกรรมทีชัดมากกว่านี้คนเราก็ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจับปลาด้วยด้วยระเบิดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย มันง่กรกับันรดาลแล้วก็ที่จริงมันก็น่าจะเสียดายอะไรนะไอ้รูระเบิดนิดเดียวนัเองระเบิดสมัครระเบิดหินใช่เสียงเป็นหลักใช้ใช้แรงดันไปหละแกก็ลอยขึ้นมากับนั่นอหลรนะลอยปลาก็ลอยนะฮะปลาก็ลอยมากกว่าปาลาตัวเล็กกว่าแต่นี้ก็คือสิ่งที่สะท้อนถึงบาปกรรมที่คนก็ทําเอาไว้แล้วเขาทไงนั่นคือโลกโกรธหลงที่เราเห็นได้ชัดนะฮะโลกโกรธหลง ระเบิดไม่ระเบิดไม่พอใจนะั้นคือกฎแล้วก็โลกก็คือเิียดเสียดาไอ้ตัวระเบิดหลงก็คือดำลงไปเลยเห็นว่าเราจะเห็นว่าการโลกกิดหลงทาแล้วก็ผลธรรมก็ออกมาอย่างไเพราะในศีลเองที่แต่ละข้ออธินาทานเนี่ยเราจะเห็นว่าการรักษาบางทีมันก็ทําด้วยความลกส่วนใหญ่จะทำในความโล ก, โลกแต่อย่าลืมว่าที่เราโลกก็เพราะเราลง วันก่อนเนี่มีโยมเขาเดินขบวนมาหาธมะที่กษิตโกรธมากเหมือนฝ่ายหนึ่งเนี่จะฆ่าแล้วก็บอกเขาจะฆ่าก่อนพาถามมาคุณมันก็ผิดผิดตั้งแต่คิดแล้วอย่างเงี้ยมันก็ผิดตั้งแต่คิดแล้วคุณคิดว่าเขาจะฆ่าเนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาจะฆ่าเพียงแต่ข่าวลือคุณก็ไม่เชื่อแล้วคนฆ่าคนไม่ใช่ง่ายหรอกเอาและสมมุติเราเขาฆ่าคุณก็ตายเร็วขึ้นแต่นั้นเองเไม่มีอะไรหรอก ยังไงคุณก็ต้องตายอยู่แล้วตอนนี้ก็ตายเดรยวกึนหน่อยแต่นั่นเองแต่ถ้าคุณฆ่าเขาเดี่ยคุณติดคุกนะแล้วบาปนะฆ่าคนเนี่ยบาปด้วยแล้วก็มันมันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเฉพาะปัจจุบันไม่ใช่ทุกเฉพาะปัจจุบันเพราะต้องติดคุ ก, กต้องหนีแล้วคุณต้องตกนรกด้วยเพราะไปฆ่าคนเพราะฉันอยากคิดเลยคิดก็ผิดแล้วแล้วก็ระมัดระวังตัวกันแล้วกันเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรง่ายนะครับ นั่งอบรมกันสองเที่ยวเลยก็กลับไปได้นะพวกนี้ดุเดือดมากพวกเดินขบวนเนี่ดุเดือดนมันต้องค่อยๆคุยนะฮะพวกเดินขบวนต้องมีวิธีพูดวิธีวิธีเสนอให้เขาคิดเราอย่าไปอธิบายอธิบายมันเฉียงเย่างนั้นแหละเฉียงเก่งด้วยนะเขาก็ยั่วมาเนะยเฉียงเก่งก้าวร้าวด้วยบางทีก็ด่าเราด้วยก็ต้องหาวิธีที่พูดให้แกคิดแล้วผลท้ายก็ก็กลับไปด้วยความ เรียบร้อยรุนแรงอะไรมาก็เจอบ่อยบางเนี้ยมามาคือมันมันเป็นอะไรที่จริงเราไม่ใช่ผู้บริหารสรงแต่ว่าเป็นคนที่ที่ชาวบ้านเขารู้จักพอเขามีปัญหาเขาก็นึกถึงเจ้าุณราาจะทมนี้เสรนึกถึงอาจารย์ระแบบไปนะฮะก็มาเลยมามมาองาก็ว่าเลยอันนี้ก็คือคือเราจะเห็นว่าเป็นการคิดค่าเนี่ยมันคิดโดยความโลด้วยควา ม, ววาม้วยความโกรธ แต่ว่าหลงจัดอ่ะมันแก้ปัญหาแนวนั้นมันสร้างปัญหาอีกเยอะเลยอเทนาทาก็มีทั้งโลคทั้งโกรธทั้งตรงกาเมสุมิชาจันยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่มีความโลคความโกรธความหลงเราจะเห็นว่ายั ง, ยงในปัจจุบันปัญหาเรื่องโรคเอซึงค่อนข้างแรงเมื่อคืนนี้ก็มีข่าว่าทางอเมริกากำลังคิดว่าจะหยุดความเจริญเติบโตของเชื้อเอซ เชื้อเอชได้ลงไปได้แต่มันจะมีโรคข้างเคียงกระทบในกาหากันอยู่คนก็ตื่นเต้นตื่นเต้นที่ยาทําไมไม่ตื่นเต้นในการป้องกันไปตื่นเต้นเอายามาแก่เลยมันมันมันมันมันจะได้เลยทำไมไม่ไม่ตื่นเต้นในเรื่องวิธีการในการป้องกันนั้นแสดงให้เห็นถึงความความโรคที่มันแรงระหลงที่มันแรงแล้วก็คุมคุมใจตัวเองไว้ไม่ได้คิดแบบตายร์ดาบ้านะคิดแบบตาย หน้าซึ่งถือว่าเป็นการบกพร่องในด้านความคิดมุสาวาดจริงแล้วใหญ่เลยนะเราจะเห็นอนาะการโรค ก, กวดหลงที่ที่แรงแล้วก็ภาพที่โฆษณาถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่ามันยั่วให้โลค ก, ก็ยั่วให้หลงเขาไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคนจะโรคคนนี้ทำทำโฆษณาไม่ใช่ธรรมดานะใช้เงินเยอะเลยอยชนสั้น ส0ิบ ว, วิไม่ถึงนาทีแล้วฮะไม่ถึงนาทีส่วนใหญ่จะไม่ถึงนาทีแต่มันแพงมากยั่วให้โลภแล้วก็ทำให้คนหลงเพราะงั้นทั้งทั้งหมดเนี่ยตรงนี้เราสังเกตว่าศีลอย่างเดียวก็ศีลในะนิพพินจันตีแล้วเห็นไหมฮะศีลให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมัตินิพพานมัจจาค่ะมันก็มีลักษณะอย่นกัน จะฆ่าก็ทําบุคคลให้จิตใจมันประณีตขึ้นแล้วจนถึงจุดหนึ่งก็เป็นวิพจน์ของนิพพานที่เรียกว่าจากโกเหมือนกันที่ส่งแสดงไว้ในธรรมจักรหมายความว่าพอสละหมดนี่พอสละกิเลสได้หมดใจมันก็หมดกิเลสกลายเป็นนิพพานทวงปัญญานั้นๆของของตายแล้วนะปัญญาเป็นตัวหลักในการประพฤติปฏิบัติในการพัฒนาตัวเองธรรมะเหล่านี้จึงเป็นการแสดงเหตุ ที่สนองผลแก่บุคคลความเข้มข้นระดับระดับธรรมดาระดับศิลธรรมจัญยามัจะพูดระดับมังผลนิพพานนะฮะเป็นวิถีชีวิตที่คนเราต้องการร่วมกันต้องการสมบูรณ์ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจผูร้รวมรวมในะสถานะทางเศรษฐกิจยศที่จริงมันจะเป็นสถานะทางสังคมและเราสังเกตนะฮะยศที่จริงมันเป็นสถานะทางสังคม มันก็แค่นั้นเนี่ยมาความวาเรากับสังคมก็จบเลยก็จบแล้ ว, ลวเราได้สถานะทางเศรษฐกิจยศเป็นสถานะทางสังคมยศมันอาจจะเริ่มจากอิสยยศแล้วก็ไปบริวารายศแล้วก็เกียรติยศเริ่มจากเกียรติยศแล้วก็ไปบริวารายศเป็นอิสยยศมันเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะเริ่มจากตรงไหนก็ได้แล้วโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบนันท่านลองสังเกตว่าเกียรติยศบางทีมไม่ค่อยจริง พอมากันแล้วแต่ใครจะคุมสื่อไว้ได้สามารถจะเบี่ยงเบงคนถูกก็เป็นคนผิดคนผิดเป็นคนถูกได้นะยุคปัจจุบันพราะสื่อสื่อที่มันสร้างสารรค์ขึ้นมาน ม, มือปืนรับจ้างอะไรแต่อะไมก็เยอะเพราะฉะนั้นไอ้กียรติยศจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองเหมือนกันแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปเครือบแคลงใสยอะไรเขาก็วังชื้นเฉยนะ แล้วในทางเสื่อมยศก็มีลักษณะเช่นเดียวกันว่าคนนั้นก็อาจจะไม่เร็วจริงก็ได้นะแต่พอดีไม่มีพวกหรือกลายเป็นแพะอะไรแต่ไรอย่างที่เราพูดเพียงแต่ว่าที่ทรงสอนมันมีฐานของมันว่าต้องได้มาในทางที่ชอบทมคือมันมันมีตัวหนุนอยู่ข้างหลังมีมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาหนุนทุกอย่างต้องได้มาในทางที่ชอบทำ เพราะไม่งั้นแล้วจะมีความบิดตกกังวลขุ่นมัวเศร้าหมองนะฮะไม่ว่าเรื่องอะไรละปาถ้าชนะก็ดีก็สเสวจก็ดีเลยยุ่งยุ่งดังนั้นก็แต่ถ้าเรามั่นใจในการได้นในสิ่งที่เราได้ได้ไดมาในทางที่เราตามเราก็ไม่วันไหวเพราะงั้นลาบเป็นเหตุได้เกิดจดตัวลาบเองต้องไม่มีปัญหาเหมือนกันที่จริงก็สะทอ้อนนะฮะภาพ อดีตประธานาธิเป็นดีเกาหลีอะไรต่างๆนี่ก็ไปข่าวยยเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันี่จริงตัวนี้จะจะทอนตำหมากทางนั้นนะจะทอนที่ส่ ง, สงสแสดงไปทางนั้นว่าถ้าไม่ได้มาในโอคธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นพรุ่งนี้เป็นถึงประธานาธิบดีนะฮะแต่ท่านตัางหลองลองตั้งเกตประธานาธิบดีเกาหลีไม่รู้ไงตั้งแต่ซิงบันรีมานะฮะปักจุงฮีซิงซิงบันรีปักจุงฮีไอชุนดูวานโรแตอร์วอนพวกสมบักสะบอมนั้นนั้นเลยปักจุงฮีไม่โกงนะ ปรจงยีเฉียบขาดไม่โกงตัวเองจนจะถูกยิงตายถูกยิงตายพวกนี้ทั้งโกงทั้งใหญ่ทั้งรวยเลยก็ถูกอินคุกถูกจับ ก, ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นว่าลาบมาได้มาในทางที่ไม่ชอบทำยศเองก็ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำบริวารก็กลายเป็นผิดเห็นไหมบริวารบริวารยศเกียรติยศก็เป็นการโปรโมทขึ้นเพราะว่าพูดในทางไม่ดีไม่ได้ในสมัยนั้นท้งพูดเฉพาะทางดีเท่านั้น ก็กลายเป็นทั้งหมดทรงชาติคำนรวมไม่ชอบทําได้มาในทางที่ไม่ชอบทำในที่นี้ก็ต้องเน้นเน้นทั้งหมดเนี่ยได้มาในทางที่ชอบทำให้ขอให้ลาบจงเกิดเราและญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบขอยยศก็คือแก่เราและญาติพี่น้องของเราในทางที่ชอบขอให้เราและญาติพี่น้องเรามียอายุยืนหลังจะตายไปแล้วขอให้เราบังเกิดในสวรรค์ พราะงั้นเมื่อเมื่อเมื่อผลในทางที่ชอบก็ส่งแสดงเหตุในทางที่ชอบแต่เธอต้องสมบูรณ์ในสัิตาสมบูรณ์ในศีลสมบูรณ์ด้วยความเสียสละสมบูรณ์ในปัญญาแต่ไม่ใช่อยู่เฉพาะตัวเองเราเป็นสมาชิกของสังคมเราต้องการยศเราต้องกา ร, รพวกพ้องเราก็ต้องทําพิกรรมดังที่ว่าเนี่ยฮอีกสประการเป็นการสร้างทางเป็นการสร้างทางที่ให้ บุคคลได้รับความสุขในปัจจุบันแล้วก็ความสุขในในชาติต่อไปที่เรียกว่าสํานวนชาติต่มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าจำนวนมาลีหน่ยหมายความที่ที่เราจะไปต่อไปคือสวรรค์แต่ไม่จะไปในขณะนี้ไปหลังจากตายก็พูดถึงชีวิตหลังตายแต่จริงแล้วเราก็ได้สวรรค์กันอยู่แล้วในโลกปัจจุบันนั่นก็คือการครองเรืองครองสุขเป็นธรรมาระดับศีลธรรมจัญญา หมายความเป็นกระบวนการของเหตุผลถ้าว่าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ต้องสร้างเหตุอย่างนี้แล้วก็ทรงแสดงไว้ทั้งทั้งเหตุและผลสมัครวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบูรณาธรรมจงมีดนท่านสหายชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเธอ